เขามีฟิตมอมเมาให้เราหลงเรามีฟิตมั่นคงไม่หวั่นไหวเขาเสพสุขสนุกสนานสำราญใจเราเสพในรถสวิมุตยุดความลวงคือสำนึกแห่งพุทธสุดประเสริฐ ด, ดับจุดเกิดกิเลสกามความหอบหวง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 คือสติสติคือชีวิตเราลองมาดูคนที่ขาดสติคนที่ขาดสตินี่เราจะเห็นได้ง่ายๆอย่างเช่นคนที่เป็นโรคอิตโรคประสาทหรือที่เราเรียกว่าคนบ้าคนบ้านี่ขาดสติแน่นอนคนเมาคนเมาเนี่ที่จริงเขาก็มีสติอยู่นะแต่ว่าสตินี่น้อยมากคือสติไม่มีกำลัง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 คนสลบเนี่ยบุคคลเราเนี้ยขาดสติทั้งนั้นแต่ว่าการหลับก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติก็พอจะให้อภัยแต่คนเมาหรือคนบ้านเนี่ยบุคคลเราเนี้ยไม่มีสติการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันเราดูเถอะถ้าเราขาดสติเนี่ยจะมีผลเสียเป็นส่วนมากไม่ใเวลาเรานั่งเมารอย เพลอไปในอารมณ์ต่างๆนะจิตใจเลื่อนลอยนะเวลามีเสียงดังขึ้นมาเนะี่ยเราจะสะดุ้งนะถ้าขาดสติเราจะสะดุ้งตกใจท่านผู้ฟังเคยมีไหมถ้าขณะนี้กําลังฟังอยู่เนี่ยเรากําลังมีความรู้สึกตัวมิติอยู่เนี่ยเราไม่ตกใจถึงที่มีเสียงดังมีเสียงอะไรหล่นเราก็ไม่ตกใจนะเพราะเรากําลังมีสติอยู่กับปัจจุบันเฉพาะหน้านะ ถ้าเราปล่อยจิตประใจยให้เผลอมือยลอยเนยเสียงดังขึ้นมาเราจะสะดุ้งทันทีนะเราจับสิ่งของขึ้นมาถ้าเราขาดสติในการจับฉวยถ้าสิ่ง ข, งของเหล่านั้นหลุดจากมือไปเราจะใจหายวับนี่แหละคือการขาดสติบางทีร้องวุ้ยวายขึ้นมาเนี่ยอันนี้ขาดสติทั้งนั้นเห็นไหมเราเคยมีมยอย่างนี้เวลามีอารมณ์โกรธ หงุดหงิไม่พอใจขึ้นมาเนยถ้าเราไม่มีสติระลึกลู่ในอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยเราเผลอสติเราอาจจะทําตามอารมณ์ไปเลยก็ได้หงุดหงิดไปตามอารมณ์บางทีออกมาทางวาจาบ่นเพ้อล้ำพันหรือดุด่าว่า ก, กล่าวอย่างไร้สติหรือบันดาลโทกศัฆ่าคนทําร้ายสิ่งของเลยก็ว่าไนดะ้อันนี้คืออาการของการขาดสติ เราอยู่ในบ้านของเราเนี่ยเราเคยลืมของไหมเอาของวางไว้ตรงนี้ก็ลืมลืมแว่นตาก็ดีกุญแจก็ดีหรือหลายอย่างที่เราลืมเราลืมสติเท่านั้นเองครับถ้าเราไม่ลืมสติเนี่ยเราจะนึกได้ทันทีเลยแล้วเราไปเขกหัวตัวเองว่าโอ้เราขี้ลืมจริงอย่าไปเขกหัวอย่าไปเขกร่างกายสงสารก็เราใช่ก็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 ถ้าเราเพลสติเมื่อไรแล้วก็โอกาสที่จะประสบอุบัติเหตุนี่มีมากถ้าเราไม่ประสบอุบัติเหตุวันนี้อาจจะเลยเลยตรอกเลยบ้านเลยทางแยกต้องกลับไปยูเทินใช้เวลาอีกนานอันเนี้ยเกิดจากการลืมสติขาดสติทะะั้งนั้นเนี่ยทุกโทษของเขามีมากเพราะฉะนั้นเราต้องตรักถึงตรงนี้ให้มากเราต้องมาสร้างความรู้สึกตัว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 หรือบางครั้งเราอาจจะอารมณ์หายใจเป็นนิมิตหายใจเข้าก็ให้รู้สึกตัวหายใจออกก็มีสติลึกรู้รู้ลงไปที่ลมหายใจเข้าหายใจออกนะลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยนะเป็นนิมิตหลับตามันก็ยังมีลมหายใจเราลืมตาลมหายใจก็ยังมีอยู่เป็นนิมิตได้เลยเป็นของจริง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 ต่อมาพอเรามาเจริญสติเนี่ย อ, อาการเหน็บชานี่มันก็ดีนะทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเนี่ยมันก็ดีนะทํท า, ทห า, าทให้เรามีนิมิตในการเจริญสติบางทีเราไม่รู้ว่าจะเอาอะไรปฏิบัติเนี่ยเราเอาทุกขเวทนาคืออาการเหน็บชามาเจริญสติได้เพราะฉะนั้นทุกขเวทนาที่เกิดทางกายจะปวดเขา่าปวดหลังปวดศรีรษะหรืออาการแล้วก็ตามที่มัน เป็นและไม่รู้จักขายเนยเราอย่าทิ้งมันเอาตัวนั้นนะมาเป็นฐานที่ตั้งของสตนะิมากำนดรู้ทุกเลยทุกเขเวทนาเนี่ยไม่ได้มีให้เราเป็นทุกไม่ให้เรากำนดรู้ไม่ให้เราเกิดปัญญาแต่ข้อสาคัญคือเราอย่าเข้าไปเป็นผู้ทุกให้เราเป็นผู้เห็นทุกซะทุกส่วนหนึ่งสติที่เข้าไปรู้นี่ส่วนหนึ่งให้มันแยกๆกันอย่าเข้าไปเป็นผู้ทุก